วาจาสุภาษิตเหมือนดอกไม้พระพุทธภาษิต ย, ยทาปิรูจีรังปุปพังวันณวันตังอคันทะกังเอวังสุภาษิตาวาจาอะพลาโหติอกุปปะโตยทธาปิรูจีรังปุปพังวันณวันตังสะคันทกังเอวังสุภาษิตาวาจาสะพลาโหัติสุกุปปะโตดอกไม้งามมีสีสวยแต่ไม่มีกลิ่นฉนันใด วาจาสุภาษิตย่อมไม่มีผลแก่บุคคลผู้ไม่ทำตามฉันนั้นแต่วาจาสุภาษิตย่อมมีผลแก่ผู้ทำตามด้วยดีเหมือนดอกไม้งามสีสวยและมีกลิ่นหอมอธิบายความความแตกต่างอยู่ที่กลิ่นหอมและไม่มีกลิ่นหอมดอกไม้แม้จะมีสีสวยสันฐานงามเหมือนกันแต่ดอกหนึ่งมีกลิ่นหอมอีกดอกหนึ่งกลิ่นไม่หอมคุณค่าย่อมแตกต่างกันมากใจคนย่อมชอบดอกไม้ที่กลิ่นหอมมากกว่า แม้สีจะไม่สวยสันฐานจะไม่งามวาจาสุภาพสิทธิ์ก็เหมือนกันย่อมสําเร็จประโยชน์แก่บุคคลผู้นํามาปฏิบัติตามหาสําเร็จประโยชน์แก่บุคคลผู้ไม่ปฏิบัติไม่อนหนึ่งคนดีเปรียบได้กับดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมคนชั่วเปรียบกับดอกไม้ที่มีกลิ่นเหม็นส่วนรูปร่างหน้าตาอาจคล้ายกันได้เหมือนสีและสันฐานของดอกไม้ดอกอุตพิดนั้นสีและสันฐานไม่เลวแต่ไม่มีใครอยากแตะต้องเพราะกลิ่นมันเหม็นจัด ส่วนดอกกุหลาบแม้ไม่มีนาำแต่คนก็ปรารถนาเพราะกลิ่นหอมชื่นใจสีของดอกไม้ไม่สำคัญเท่ากลิ่นฉันใดหน้าตารูปร่างของคนก็ไม่สำคัญเท่าคุณความดีในตัวของเขาฉันนั้นพระพุทธภาสิทธินี้พระศาสดาตรัสเมื่อพระทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปราบชัฏตะ ป, ปาณิอุบาสกและการเรียนธรรมของพระนางมลิคาเทวีและพระนางวาสภคติยา มีเรื่องย่อดังนี้เรื่องชัตะปาณิอุบาสกชัตตะปาณิเป็นอุบาสกอยู่ในเมืองสาวถีเป็นผู้รอบรู้ในพระพุทธพจน์และได้บรรลุมรรคผลเป็นอนาคามีเขารักษาอุโบสถแต่เช้าตรู่ทุกวันและสู่ที่บำรุงพระศาสนาทุกวันความจริงอุบาสกผู้เป็นอนาคามีแล้วไม่ต้องรักษาอุโบสถโดยวิธีสมาทานเพราะอุโบสถทศินปรมาจันและการบริโภคอาหารวันละครั้ง ย่อมมาพร้อมกับการบารรลุมรคผลนั่นเองสมจริงดังที่พระพุทธพระภาคตรัสถึงช่างมอชื่อคติการะว่าช่างมอชื่อคติการะบริโภคอาหารวันละครั้งประพุทธพรหมจาร์เป็นปกติมีศีลมีกัลยาณธรรมวันหนึ่งพระเจ้าประสิทิที่โกสลเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาขณะนั้นชัดตาปานิวาสกอยู่ในที่เฝ้าแล้วเขาเห็นพระอาชาติกลังเสด็จมา จึงคิดว่าเราควรลุกขึ้นตอนรับหรือไม่หนอในที่สุดเขาตกงใจไม่ลุกขึ้นเพราะคิดว่ากําลังนั่งอยู่ในสํานักของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่คือพระพุทธเจ้าหากจะลุกรับพระเจ้าเปเสนธิก็จะเป็นการขายความเคารพในพระศาสดาท่านกล่าวแทรกไว้ในที่นี้ว่าธรรมดาบัณฑิตเห็นคนที่นั่งอยู่ในสํานักของท่านผู้ควรเคารพกว่าทนไม่ลุกขึ้นตอนรับย่อมไม่โกรธพระาพราชาเปเสนธิ เหนชัดตาปาณิอุบาสกไม่ลุกหลับมีพระมนั์ขุนเครืองแต่ไม่กล้าตรัสอะไรถวายบังคมพระศาสดาแล้วประทับหน้าที่อันสมควรแก่พระองค์พระศาสดาทรงสร้างความขุนเครืองในพระทัยของพระราชามีพระพทประสงค์จะบรรเทาความขุนเครืองนั้นจึงตรัสพนาคุณของชัตตาปาณิวบาสกว่ามหาบ่อผิดชัดตาปาณิอุบาส ก, าาา น, าสกนี้เป็นบัณฑิตได้เห็นธรรมแล้วรอบรู้ในพุทธพจน์ รู้จักประโยชน์มิใช่ประโยชน์สิ่งที่ควรและไม่ควรเมื่อพระราชาทรงสดับคุณนกถาของชัตตาปานิวบาศกอยู่พระหาลืไทยก็อ่อนลงต่อมาอีกวันหนึ่งพระราชาประทับยืนอยู่บนปราสาทท่า พ, พระเนตรเห็นชัตตปานิวบาศกกั่นร่มสวมรองเท้าเดินผ่านมาทางพระรานหลวงจึงรับสั่งให้ราชบุรุษเรียกมาอุบาศกขุดร่มถอดรองเท้าเข้าไปเฝ้ายืนอยู่หน้าที่ควรแก่ตนแห่งหนึ่ง พระราชาตรัสถามว่าทําไมจึงหูปลอมและถอดรองเท้าเสื้อเล่าข้าพระองค์ทราบว่าพระราชารับสั่งหาท่านเพิ่งรู้วันนี้เองหรือว่าเราเป็นพระราชาข้าพระพุทธเจ้าทราบมานานแล้วทราบมานานแล้วถ้ากระนั้นวันก่อนท่านนางอยู่ในสํานักพระศาสดาเห็นเราแล้วทําไมจึงไม่ลุกหลับข้าแต่มหาราชวันนั้นข้าพระพุทธเจ้านั่งอยู่ในสํานักของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ หากลุกครับพระราชาประเทศสลัดก็จะเป็นการขาดความเคารพในพระศาสดาช่างเถือุบาสกเรื่องแล้วไปแล้วแต่เขาเล่าลือกันว่าท่านเป็นผู้ชนดในประโยชน์และม่ใช่ประโยชน์ทั้งปัจจุบันและอนาคตท่านรอบรู้ในพระบิดาพระย์ช่วยสอนทำแก่พวกเราในวังได้หรือไม่ข้าพระองค์ให้สามารถทําได้พระเจ้าค่ะทำไมเพราะธรรมดาพระราชมนเทียมีโทษมากการทําดีและไม่ดีในราชสํานักนั้นเป็นกรรมหนัก อย่าคิดอย่างนั้นเลยวาศกท่านอย่าได้นึกถึงวันก่อนที่มันได้ลุกลับเราเราไม่ได้ถือโทษเลยข้าแต่สมุติเทเสถานที่ปลายของเครือข่ายก็มีโทษมากขอพระองค์ได้โปรดให้มนุนบันรพชิตรูปใดรูปหนึ่งมาสอนทำเถิดพระราชาเสด็จขึ้นแล้วไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่าพระนางมณิกาเทวีและพระนางวาสภาคติยามีพระประสงค์จะเรียนธรรมขอให้พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ สเสด็จไปสู่ราชนิเวศเพื่อสวยเป็นหนึ่งนิตรและแสดงธรรมแก่พระมเหสีทั้งสองพระศาสดาตรัสว่าการที่พระพเจ้าจะเป็นสวยในที่แห่งเดียวเป็นประจํานั้นไม่ควรพระเจ้าประเสริฐที่จึงว่าภาคละนั้นขอให้มอบให้เป็นหน้าที่ของพิสุรูปใดรูปหนึ่งพระศาสดาทรงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพระอานนท์วันหนึ่งพระศาสดาตรัสถามถึงผลการเรียนธรรมของพระนางทั้งสองกับพระอานนท์ พระเถระทูลว่าพระนางมาริกาเทวีนั้นทรงตั้งพระไทยศึกษาโดยเคารพท่องพระพุทธพจน์โดยเคารพส่วนพระนางวาสภคติยาพระญาติของพระองค์ไม่เรียนโดยเคารพคือไม่ตั้งพระไทยเรียนไม่ท่องพระพุทพจน์โดยเคารพพระศาสดาทรงสดับถ้อยคาของพระอนุ์แล้วจึงตรัสว่าอนุลทำที่เรากล่าวดีแล้วย่อมไม่มีผลแก่ผู้ไม่ตั้งใจเรียนฟังท่องและแสดง เหมือนดอกไม้สีสวยแต่ไม่มีกลิ่นแต่ธรรมของเราจะมีผลดียิ่งแก่ผู้เรียนผู้ฟังโดยเคารพดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่ายาาปิรุจีรังปุพพังเป็นอาธิมีในายะดังพนณ า, ามาแล้วแต่ต้น